و إ ن ج ه ن َ م َ ل <سؤال> م ح ِ ي ط ة ل ك َ ا ف ر ي ن و إ ن ج َ ه ن م َ ل َ م ُ ي ط ل ك ا ف ر ي ن อินน ال ฮะมดุลลอฮ์นะฮ์มดุห์ وناستعينه وناستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله وما يضلل فلا هاريه وشهد والله إله إلا الله وحده ا شريك له و له ه, له ه د أن, أن محمدا عبده و ر س Allahumma bika asbahna wabika amzaina wabika nahiya wabika namutu wa yalaikan nushur أعوذ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ تَلَمَّتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُلُّ مَعَ س َ م ِ ه ِ ش َ ي ْ ئ ً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا و ِ وَهُوَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ ر َ ض ِ ي ُ ب ا ل ل ه إ أ و ั ب ิล إسلام ิดีนะ ا م บิมุฮัมมัดอิลลัสโวละอัลลอฮุมไอนีอ้า م ุบิกะมิณัก ن ا ลิวัสูอิลคิบร์รับบ์อ้าวุ ذ ิกะม ا ل อ س ด و บิมฟินนาร ب ว ا า ل ับิมฟินลควบรีอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีบดันีว่าฟินีฟีสแมย์ว่าฟินีฟีบัซซร พี่น้องที่ร่วมนำมาซุบที่มัสยิดที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตับซิดอัลกุรอานที่อยู่ที่บ้านท่านนะครับขอบคุณนลอสุบฮานุวะตะลานะครับการใช้ภาษาขอบคุณนลอเนี่ คานาบีได้กำหนดภาษาแล้วผมก็พูดบ่อยๆนะเพื่อให้พี่น้องเราได้จดจำา ب ح ا อัลลอฮ์ ل ل ه ا ل ب ر ا ل ل ه ش له الملك وله الحمل وهو على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم الآخرة ซึ่งเป็นบทบทขอชมเชย Allah ล้วขอพรด้วยเ้วขอดูอาด้วยนี่ท่านอบียจะให้รูปแบบไว้ทั้งหมด รำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และก็ต่าแหละขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราให้อัลลอฮ์ให้โอกาสเรามานั่งอยู่ในมัสยิดของของท่านเนี่ยแล้วเราก็มาทบทวนอัลกุรอานวันนี้มาถึงสุร่าอัลางกะบูดอังกบูตนี่แปลว่าอะไรนะแมงมุมเพื่อจะเตือนคนที่อ่านอัลกุรอานเนี่ย ถ้าไปยึดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺเป็นที่กราบเป็นที่เคารพเป็นที่พึ่งคุณไม่ต่างอะไรกับยึดมแมลงยึดใยแมงมุมเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นที่ไว้วางใจคุณทำผิดอย่างแรงเยะนี่คุณอ่านสอนหรือัลลอฮฺสอนมนุษย์พออ่านคุณอานสุรานี่เราก็ได้ข้อคิดเยอะนะ ขอบคุณอัลล์สุภาโต า, านะครับที่เราได้มาถึงวันนี้สูรอังกระบุตอยายะที่ห้าสบอ็ดกับอายะที่ห้าสบเอ็ดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านกุเอาะในอยายะที่ห้าสบบอกว่าพวกมุชลิกีนพวกกาฟิรีเนี่ยเขาไม่เชื่อว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีเขาไม่เชื่อ เขาบอกถ้ามุฮัมมัดเป็นนบีจริงก็เอาของแปลกๆเอามัอ่ออีกาดของนบีอะไรของนบีอะไรบ้างที่ผ่านมาของนบีมูซาเพราะนบีมูซานี่เอาล้อให้หมัอ่ออีกาดใช่ไหมล่ะโยนไม้ถือเป็นอะไรเป็นงูอ่ะมุฮัมมัดนำอ่ะสองนบีอิซาอะลัยฮิสสลามมีมั่ออีกาด นะครับหนึ่งในบนรรดาโอจิสายก็คือคนตายไปแล้วเนี่ยท่านทำให้ฟื้นขึ้นมาพอมาพูดมาอธิบายว่าใครฆ่าก็ตายต่ออ้าวโ ม, มัดนำมามาซะแล้วก็ขอร้องเอกให้มักกะเนี่ยมันมีตะซายใช่ไหมลนะ่ะขอให้มีแม่น้ำไหลผ่านถึงจะเชื่อว่าท่านนี่เป็นนบีของอัลลอ์จริงแต่ขอร้องเอก ขออย่าเลยนะขอให้ภูเขาโซฟาเนี่ยเป็นทองถึงจะได้เชื่อว่าท่านเนี่เป็นนบีของอัลลอฮ์จริงๆโอ้ขอแล้วขออีอย่างหนึ่งขอแบบนบีซอแร้เลยนบีซอแร้เนี่ยเอาอูดออกมาจากภูเขาเรื่องมันยาวนะเอาเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนี่ต้องขอตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอเยอะแล้วก็ อัลลอฮ์ก็บอกกับ น, นบีบอกว่าไงนะทั้งหมดเหล่านี้เป็นมุอาจิสาเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดไม่มีหน้าที่นํานุ่นมานํานินม า, นนนมาเพราะว่าหน้าที่ทั้งหมดนี่อยู่ที่อัลลอฮ์ทั้งหมดฉะนั้นหน้าที่ของนบีมีอยู่อย่างเดียวว่าอินนามะอานาณีรุมมุบีอินอายาที่ห้าสิบเห็นไหมนะ่ะวักสุดท้ายเลยนะ่ะ ฉันหน้าที่ของนบีฉันมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือนารีรุนมาเตือนให้เลิกทำความชั่วอ่อฉันนี่มาสอนคุณมาเตือนคุณมาอธิบายให้คุณมาเผยแพร่อิสลามให้คุณในรับรู้เท่านั้นเองหน้าที่อื่นๆนบีไม่สามารถทำได้เข้าใจนะ แต่ละหน้าที่ของนบีมาทำอะไรบ้างมาสอนคนมาตับลีกมาดาวะมาสอนอิสลามนะครับโดยเอาอัลกุรอานนี่แหละเอามาสอนแล้วก็เอาความรู้ที่อัลลอ์ให้กับนบีผ่านจิบรีลมาเนี่ยเอามาสอนและอายานี้อายาที่ห1ของวันนี้นี่นะครับมาดูครับอวลามยักฟิหิม أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى وذكرى القوم يؤمنون الحمد لله الحمد لله อายนี้ต้องการจะบอกคืออัลลอฮห้เล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังให้ตอบให้ตอบให้ตอบคนมุชริคคนกาเฟรติขอนน่นขอนี่ยขอนี่ขอขอทั้งเยอะไปหมดเนี่ยตอบว่าไงได้ไหมอวารามยักฟิห์มยังไม่เพียงพออีกหรืออวารามยักษ์ฟิห์มยังไม่เพียงพอแก่พวกเขาอีกหรือกาฟายักษฟีบอกว่าเพียงพอ นี่อัลลอฮ์ตอบกับนบีเล่าให้นบีฟังอันานนบีมุฮัมมัดพูดกับคนมุชริกที่ขอจากท่านให้มีนั่นมีนี่มีนี่มีนั่นเนี่ยถึงจะเชื่อว่าท่านเป็นนบีจริงเนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความรู้กับนบีใหม่ให้ตอบครับพวกเขาว่าอวาลัมยักษฟิห์มยังไม่เพียงพอแก่พวกเขาอีกหรือเพียงพอเรื่องอะไรครับอั น, นแท้จริงเราหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ย อันจัน่งานเลยคัลกิตาบแท้จริงเนี่ยเราได้ประทานคำพีกิตาไปว่าคำพีนะไปว่าหนังสือคุณอ่านนี่แหละเล่มนี้แหละเราได้ประทานให้กับท่านเนี่ยประทานอัลกุรอานผ่านยิบรีนมาให้กับท่านน บ, บีมุฮัมมัดน่ะยังไม่พออีกเลยคุณอ่านเล่มเดียวเนี่ยรู้หรือเปล่า มันพอแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังมูฮัมหมัดตอบอย่างนี้แหละไปขอนู่นขอนี่ขอนี่ขอนั่นขอให้มักกามีอะไรมีแม่น้ําหลาสักสายหนึ่งให้น้ําไหลถึงจะเชื่อให้ภูเขาซอฟราเป็นทองถึงจะเชื่อให้นบีมูฮัมหมัดนำเอาไมา้ตะพดแบบนบีมูซายอแล้วเป็นงูถึงจะเชื่ออัลลอฮ์ตอบกับ น, นบีตอบอย่างนี้ คำพีเล่มเดียวที่ฉันประทานลงมาให้กักท่านเนี่ยยุทธลาอะลหิมแปลว่าอะไรนะซึ่งได้ถูกอ่านแก่พวกเขายุทธลาแปลว่าถูกอ่านถูกสอนถูกอธิบายถูกตับลิกถูกอามาอ่านกันเนี่ยมุสลิมเขออา อ, า อ, าอา่านกูนอ่านกูนอ่านแต่สมัยนู้นใช่ไหมสมัย1400พปีนะ่ะนบีก็อ่านกูนอ่านสวบบาวบ้านนบีทุกคนอ่านกูนอ่านหมด คนที่รับอิสลามแต่และคนแต่และคนเนี่ยเขาเรียนคุณอ่านกันก่อนนะพอเรียนคุณอ่านแล้วก็ความรู้จากคุณอ่า น, นเต็มไปหมดทุกอายะมีความหมายหมดเลยมีเรื่องแปลกๆเล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังแค่นี้ยังไม่พออือนี่อัลลอฮประทานอันกรานลงมาให้ท่านนาบีให้นบีตอบ ที่ เ, เรามาอธิบายใหม่อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าค้ามพีกุรอานเล่มนี้นะเปลี่ยนแปลงคนมาเยอะแล้วน ะ, ะเปลี่ยนแปลงใครถามว่าบรรดาชาวบ้านนาบีนะเป็นมุสลัมใช่ไหมกราบไหว้บูชารูปจเจวิตมาก่อนทั้งหมดแล้วก็หันมาอีมานตัวท่านนาบีมาเชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นนบีของอัลลอย์จริง โดยผ่านอัลกุณอ่านแต่ละอายาที่ประทานลงมาเนี่ยแล้วคนที่เชื่อนาบีคนที่อ่านกุณอนะ่านอ่ะสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนยังไงนี่คุณอ่านสอนให้พวกอาหรับคิดอาหรับมุชีลิกินที่ต่อต้านนาบีนะ่ะเองเคยใช้บั้งปัญญาบ้างหรือเปล่าเอามาดูท่านนาบีมุฮัมมัดมาก่อนเป็นยังไงแล้วก็อบบูบากัตเป็นยังไงท่านไซนาอุมัดนะ่ะเป็นนักเลงขนาดไหนเ่ย แล้วก็ฆ่าคนมาเท่าไรแล้วทะเลาะ ก, กันมาเท่าไรแล้วแล้วก็คนที่รับอิสลามในยุคนาบีเรียกว่าสวามีนะเบีหนึ่งเมื่อก่อนเขาใช้ชีวิตแบบไหนรู้เปล่ากินเหล้าจะนอนกับผู้หญิงไน้ไม่ต้องแต่งงานอัลลอห์เห็นยังครับแล้วเขาทะเลาะกันเรื่องเล็กๆในน้อยเป็นร้อยๆ้อยปีแล้วก็ผู้หญิงคนนึงมีผัวทั้งสามสี่คนอะ อยู่ที่บ้านข้างนอกอยู่ในบ้านก็มีข้างนอกบ้านก็มีอยู่กันอย่างเงี้ยเละเทะสังคมเละเทะอย่างงี้เนี่ยเวลาอัลลอฮฺประทานอันกรุรอานลงมาให้กับนบีเพราะนบีมาสอนอิสลามเนี่ยคนที่รับอิสลามเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงกันหมดเลยนะแค่นี้ยังไม่พออีกเลยยังขอแม่น้ำอีกขอให้นบีมุฮัมมัดโยนไม้เท้าให้เป็นงูอีกเองพอทําไม แค่นี้ยังไม่พออีกหรือดูสิญาติพี่น้องคุณที่รับอิสลามแต่ละคนน่ะเขาเป็นยังไงเขาเปลี่ยนแปลงไหมน่ะนิสัยเปลี่ยนแปลงเคยยืนด่ากันทะเลาะกันพอรับอิสลามให้อภัยกันหมดเลยเอ่ะฉันไม่เอาแล้วเคยฆ่าก้นตบบาตัวแล้วรู้เป่าในอาหรับเนี่ยก่อนที่อิสลามจะมาเนี่ยเขาฆ่าลูกผู้หญิงใช่หรือไม่ใช่เขาบอกว่าลูกผู้หญิงเี่ยอย่างพวกเธอเดยกเขาฆ่าหมดอ่ะ พอมีลูกผู้หญิงมันมีสวมอยู่หน้าบ้านพูดธรรนอง น, องนี่นะแล้วก่อนหน้านี้ฟาโร่ก็เหมือนกันสาง่าลูกผู้ชายหมดเลยเ น, นี่ยคุณไม่เคยสังเกตบ้างเหรอนี่อัลลอฮ์สอนนางกพีคุณอ่านให้นบีให้เล่าให้นเล่าให้ น, หนบีฟังให้นบีมาสอนฉะนั้นคนอาหรับมูชริกเนี่ยมันมันไม่มมไม่ใช่คนธรรมดามันอร่อยจริงๆนะ แล้วก็มีอยู่ห้าศาสน า, 1, าห้าห้ากลุ่มหนึ่งยิฮูดีนอส ร, รณอีมุนาฟิกีนกาฟิรีนมุชริกคนตั้งภาคีตัวอัลโหเนี่ยความคิดความอาหมันอร่อยจริงจริงอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีเอ้านาบีไปสอนความรู้ที่ผ่านอัลกุรอานเปลี่ยนแปลงคนมาเท่าไหร่แล้วยังไม่พออีกหรือจะเอาอะไรอีกเอาวันนี้ถามว่าโลกที่อยู่สงบเนี่ย เ, เพราะอิสลามใช่อไ คนรับอิสลามกันทํทำไมคนเปลี่ยนแปลงเลิกกินเหล้าเลิกยาเสพติดเลิกนู่นเลิกนี่เลิกนี่เ ล, นเลิกนั่นเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีเพราะอะไรเพราะอิสลามใช่ไหมตอนนี้ยาคูดีมันก็พยายามใส่รายใส่ใส่ใส่ใส่แข่งกับอิสลามอะ่ะเอาวัดดูว่าว่าใครจะชนะดูดูดต่อไปว่าใครจะชนะใครจะทำลายอิสลาม และอิสลามจะอยู่มงคลปิดอยู่จะอยู่ยังไงจะขยายตัวมากขึ้นไหมคนจะรับอิสลามไหมค่อยๆดูกันต่อไปเดี๋ยวอัลลอฮฺสัญญาในกเปคยร์คุอานเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปอวลัมยัคฟิหิมยังไม่เพียงพอแก่พวกเขาอีกหรืออันนอันจัลนอลัยกัลกิตาบ ที่เราได้ประทานคำภี์เรื่องนี้ลงมาให้แก่นบีมุฮัมมัดแล้วนบีมาทำะายต่อยุธลาอะไลฮิมซึ่งได้เอามาอ่านเนี่ยถูกอ่านให้กับพวกเขาเหล่านั้นนบีก็เอามาสอนสอนสอนสอนสอนบันดาสรบ้านนาบีก็ได้คนอ่านมาก็ท่องจำเลยเ่ะแล้วเอาไปสอนสอนสอนสอ น, สอน ในภาษาอูดูบอกว่าทั้งกลางวันและกลางคืนทุกนาทีเลยกุลอ่านทูงอ่านบนโลกดุจยาไปนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่ใชเอาเวลานามาต่างกันไหมทั่วโล ก, กเวลานามาต่างกันหมดเลยแล้วก็ทุกนาทีมีเสียงพูดอ่านมีเสียงอภิญญามีเสียงอัลลอฮ์ขึ้นบนชั้นฟ้าตลอดเวลาเลยเอันขนาดนี้เป็นเวลาสุโอบนะในเมืองไทยเป็นเวลาบ่ายประเทศไหนก็ไม่รู้ เป็นเวลาอิซาประเทศไหนก็ยังไม่รู้ก็เช็คได้เนี่ยเห็นยังครับฉะนั้นคลัวเสียงกลัอ่านนี่ทวงอ่านตลอดเวลายังไม่พออีกหรือที่จะเปลี่ยนแปลงคนไม่ใช่อ่านกลัอ่านอย่างเดียวจะเปลี่ยนแปลงเราต้องต้องรู้ความหมายทองมันนะพอรู้ความหมายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงครับอย่างดีเป็นต้นเราต่อมาครับอินฟิสัลิกาลารห์มา แท้จริงอินน่าแปลว่าแท้จริงฟีซาลิกาในคุณคำพิคุณอานเล่มนี้ซากะซาลิกานี่นะแปบลบว่าคุณอานเล่มนี้เนี่ยมีอะไรรู้ไหมละรามามีความอะไรมีความเมตตาเปลี่ยนแปลงคนให้เป็นคนดียังไม่พอยเหรอเราต้องการอะไรต้องการอีมาต้องการตักวัต้องการยาตีนต้องการอิฮัซานต้องการให้อัลลอฮ์พอใจ กูร์านอานกูร์านเล่มนี้เล่มเดียวศึกษาหาความรู้จากกูร์รานเล่มนี้เล่มเดียวรหฮมะจะอัลลอฮ์จะประทานรหฮมะให้กับคนคนที่สนใจอัลอิสลามคนที่มีกุร์านแล้วก็มีสุนสนะนบีกำกับชีวิตมีรหฮมะข้อที่หนึ่งแล้วตอนนี้รหฮมะอุลมามะอธิบายยังไง ร, รู้ไหมแปลว่าความรู้รัฮมะที่นี่หมายถึงว่าเอาหลักความรู้จากกูร์านเนี่ย เรื่องแบ่งบรรดมีไหมมีอัลลอฮ์สอนในคัมภีร์คุรานหมดเลยเรื่องลูกกับพ่อควรจะปฏิบัติกันอย่างไรในคุรานมีไหมมีมภรรยาสามีจะแต่งงานกันทํำยังไงสอนในคัมภีร์ุรานหมดเลยฉะนั้นใครที่อ่านคุรานแล้วก็ศึกษาหาความรู้จากกุรานแล้วก็ท่องสับอัลกุราน อายาเนมาสักสามคำสี่คำแล้วได้ข้อสรุปจากคุรานีถามว่าชีวิตของเขาจะดีหรือไม่ดีดีขึ้นครับลูกเคยด่าพ่อแม่พราะมาอ่านกุรานอาลัลลอฮ์สอนเงเวลาตะกุลลาฮูมาอุฟลูกเอ้ยทุกคนอย่าตะวาดอย่าพูดกับพ่อแม่คำว่ารอูหเวลาตะกุลลาเวลาตันฮารูมาอย่าไล่พ่อแม่ว่ากุลลาฮูมาก้าลังการีมาพูดจะเพราะเพราะ แล้วก็ลดปีแล้วขออุดมคุณอัลกุรอานทั้งหมดเลยฉะนั้นวันนี้ที่ลูกๆเคารพพ่อแม่เพราะอัลกุรอานเพราะความรู้จากกุรอานที่พวกเธอมานั่งเรียนศาสนากันอยู่วันนี้นะพาะคำพิษอักุรอานทําไมพ่อจึงส่งมาเรียนอยู่มาอยู่หอพักเพราะอะไรก็เพราะอัลกุรอานเล่มนี้แหละใครได้ศึกษาได้เรียนแล้วก็ชีวิตของเขาจะดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นบรรยากาศก็ดีขึ้น ที่นมาครบห้าเวลาพกกระพีหรือเปล่าก็พอหนังสือเล่ม อ, อ่านแล้วนี้แหละนาบีทำเป็นแบบด้วยสอนด้วยอันละทำโดยแล้วเนี่ยเอาเราเตือนคนอาหรับยังไม่พออีกหอ่าถ้าไม่เอาศาสนาก็ไม่ว่าเดินไปที่เดซีบ้างหรือเปล่าละ่ะอยู่ในจอร์แดนไปเห็นเดซีบางอย่า ง, งอ่าบอพวกอาหรับเอ็มกัขี่มา้าขี่อูดวันนี้มีขี่รถ แลวเห็นเดซีอย่างเดซีเป็นอะไรเป็นสถานที่ที่เลวที่สุดมาก่อนนะั่นอะไรผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันแล้วร่อนลงโทษยังไม่พอาอยู่เหรอ <c oughs> นี่สอนให้คิดสอนให้ชายปัญญาอยู่ตลอดเวลานะต่อมาครับรักมากแปลว่าความเมตตาหมายถึงมีความรู้จากอัลกุรอานเนี่ยเยอะไปหมดเลยข้อต่อมาวาซิครอคุรอานเป็นข้อเตือนใจ เป็นข้อเตือนใจเอาคนที่ทำผิดอาอย่างคนตายเนี่ยไม่เอาศาสนานอนอยู่ในกูบรลลาบากหมดเลยนะเอาไม่เชื่อลองตายดูนอนอยู่ในกูบุลลาบากหมดแต่ Allah เ, เคยให้คนตายขึ้นมาแลนะฉันนี่ลาบากหน้าดูถูกไม้หน้าแปดตีที่ศีรษะ Allah ไม่ทรงมาหรอก Allah ให้นบีมาสอนเอ็งไม่เชื่อเอ็งขาดทุน ฉะนั้นคำว่าวิกฤตนี่นะเป็นข้อเตือนใจให้เช่นการลงโทษเนี่ยมีฟ้าผ่าที่นั่นตายน้ำท่วมที่นี่ตายนี่เป็นวิกฤตทั้งหมดเลยนะฉะนั้นคนที่อ่านกูรอานเนี่ยยังแผ่นดินไหวในบางประเทศตายก็มีเราได้ข้อคิดอะไรบ้างน้ำท่วมในประเทศนั่นได้ข้อคิดอะไรบ้างนี่เป็นวิกรอิทั้งหมดนะฉะนั้นกูรณาเป็นรมมะกูรณาเป็นวิกรอ เป็นข้อเตือนใจสําหรับใครครับรีเก้ามียุมินุนสําหรับมูชนเก่ามุนแปลว่ามูชนยุมีนุนที่ศรัทธาในอัลลอฮ์เนี่ยพวกนี้เข้าใจอิสลามง่ายมากเลยคุณอ่านเนชีนําไปหมดเลยสําหรับกลุ่มชนที่มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์ที่ศรัทธาในใ AH, นอัลลอฮ์ศรัทธาในมลัยกาศรัทธาในคัมภีร์ ศรัทธาในวันสิ้นโลกศรัทธาว่าตายแล้วต้องฟืน้นศรัทธาว่าไอความดีความชั่วรำ่ำรวยยากจนเจ็บไข้ได้ป่วยเอาล็อควบคุมแต่เพียงผู้เดียวถ้ามีอีมานอยู่ในหัวใจแบบนี้อ่านกุรอานนี่เข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายอัลฮฺมูเลลล่เอาต่อมาครับชีวิตของนบี ม, มุฮัมมัดเนี่ยาปีของการเป็นนบีเนี่ย ในคําภีร์กุณอ่านอธิบายชัดเลยว่านบีไม่เคยพูดด้วยอารมณ์นบีไม่เคยพูดด้วยอารมณ์เลยยีิบสามปีนะอัลลอฮ์รับรองว่าทุกคำที่ออกมาจากปากนบีนั้นเป็นวย์ทั้งหมดสบ า, ายใจครับแล้วกุณอ่านอยายไหนว่ามายามติกูอานอิลฮาว่าอินหัวอินลาวะฮยยูฮาสิ่งที่ นบีพูดออกจากปากนาบีนั้นแต่ละคําแต่ละคําเป็นวาฮีหมดเลยครับแล้วก็นบีไม่เคยใช้อารมณ์พูดฉะนั้นนบีทําอะไร23่สิบปี่ะเป็นศาสนาหมดเลยนะกินน้ําของท่านนาบีเป็นศาสนานอนของท่านนาบีเป็นศาสนาเข้าห้องน้ําเป็นศาสนาฉะนั้นอย่าดูถูกนบีคิดว่าครับเราต้องเรียนสุนนะของท่านนาบี การเรียนสุนรน่าของท่านนาบีทําให้ตัวเราเนี่ยห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บด้วยเอาแค่นอนตามนาบีเนี่ยเอาอะไรบ้างหนึ่งต้องแปลงฟันใช่ใชหรือไม่ใช่สองอาบน้ําน้ำะอาดสามตะปัดที่นอนสี่ยกมือขึ้นแล้วก็อ่านเป่าก่อนแล้วก็อ่านสามขุนใช่ไหมอ่านตัวแรกก็รูปตัวหัวใบหนวงใบหน้าหลังข้างหน้ารูปหมดเลย แล้วก็ทันแบบนี้สามครั้งต่อมาทำอะไรอีกอันอายากีก่อนนอนพอจะนอนจริงๆเอามือขวาจับแก้มขวานี่เป็นซูนานาบีทั้งหมดนใครที่ทำตามซูนานาบีแบบนี้สุขภาพก็ดีหมดเลยแล้วนอนแต่หัวค่ำด้วยดีได้ไม่ดีแล้วตื่นก่อนมาซุโบนหนึ่งชั่วโมงดีได้ไม่ดีนี่รูปแบบเหล่านี้ใครให้ครับนบีทำอไรยังไม่พออีกเลยเอ็งจะเอาอะไรมากกว่านี้ จะเอาแม่นำ้ำอ่านครมกาไปทำอะไรมาเมืองไทยก็เจอแม่น้ำจอปัญญามากดิ <Benjamin> อย่างนี้เป็นเตือนนี่ก็สอนให้คนมุสลิมได้ใชยย้ปัญญาให้อารับได้ใชยย้ปัญญานะเอาต่อมาครับอายาที่ห2กุลบสอกาฟบิลลายบายนีวะบายนะคุมชาฮดะ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 ق ُ ل ك فابلله َِ ا ب َ ي ن ي و ب َ ي ن َ ك م شهيدا. َ يعلم ما في السماوات َِّ والأرض. والذين ََّ آمنوا َُ بالباطل وكفروا َََ بالله أولئك َ هم الخاسرون. ا ل ح م ล لله พีน้องกับอ้ายนี้อัลลอฮ์เล่าให้นาบีมุ h a m มัดฟังนะถ้าพวกนี้ไม่เอาอิสลามแอนตี้อิสลามปล่อยมันไปเหอะปล่อยมันไปมันขาดทุนเองคนไม่เอาอิสลามไม่เอานาบีมุ h a m มัดไม่เอารูปแบบของนาบีไปใช้ยในชีวิตประจำวันเองขาดทุน ขาดทุนคำไหนคอซีรีนวัตสุดประโยคสุดท้ายเลยนะ่ะอูลอีเกหฮูมุลคอซีรูนเหล่านี้พวกเขาเป็นผู้ขาดทุนไม่เอาอิสลามเนี่ยบังคับได้ไหมไม่ได้นบีมมนเคยบังคับชาว บ, บ้านนาบีสัคนนึงอาดาบไปที่คอไม่รับอิสลามฉันฆ่านะไม่มีครับ ไม้มี <I> mean. อ่ามาดูกุรานคุลมุฮัมมัดเอ๋ยโจงอะไรนะโจงกล่าวกับคนที่ไม่เอาอิสลามนั่นแหละในยุคนู้นนะกล่าวว่าไงกาฟาเพียงพอแล้วบินล้วทเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ไบนีว่าไบนกุมชหฮิดาชาฮดมปลว่าเป็นพยาน เพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานใบนี้ระหว่างฉันว่าใบนากุมและระหว่างพวกท่านระหว่างนาบีมุฮัมมัดกับระหว่างพวกที่แอนตี้อิสลามในนครมักกาเน่นะอัลลอฮ์เป็นพยานพอแล้วให้อัลลอฮ์เป็นพยานพอหรือไม่พอพอแล้ ว, พ, พ, ลวพี่นะ้อง พวกนี้ไม่เอาอิสลามปล่อยมันไปแต่ที่ไหนได้รับกันหมดค่อยๆรับทีละคนละคนละคนละคนละคนพอใช้ปัญญาพอใช้ปัญญานิดนึงนะจะเข้าใจอิสลามทันทีแล้วอัลลอ์อิสลามนี่มันเป็นศาสนาที่ดีที่สุดเนเอ้ยโอ้โหดีมากเลยนะกุลมัมาเด้อจงประกาศกฟาฟะพอเพียงแล้วบินแ ล, ลฮิเพียงพอแล้วที่อัลลอ์ ชาฮีดันเป็นพยานใบนี้ว่าใบนักุมระหว่างฉันและพวกท่านคุณไม่เอาอิสลามเรื่องของคุณอลัลลอฮ์เป็นพยานพอได้ยังพออลัลลอฮ์เป็ผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างมนุษย์และสร้างสัตว์แล้วก็สร้างทุสิ่งทุอย่างในมหาสมุทรอลัลลอฮ์สร้างแต่เพีพเยงผัวเลียอัลลอฮ์เป็นพยานพออย่างอัลลอฮ์อัลบาดิ่งใหญ่เลยกิอ สัมเนธีสบอาใจโอ้อหแล้วมำุี้ลีลาอัลตอมาครับยะ علام ุมะฟิสซามะวัดิวลอัลดีอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดแล้วก็วันอัลดีและแผ่นดินที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดและที่อยู่ในแผ่นดินไอ้มานี่นะ ยะลาโมมาคาว่ามาคำนี้น่ะแปลว่าสิ่งไม่มีชีวิตสับสบ ส, บสิ่งทั้งหลายที่ไม่มีชีวิตบนชั้นฟ้าเนี่ยอลัลลอฮ์รู้แล้วสิ่งที่ไม่มีชีวิตในแผ่นดินอลัลลอฮ์รู้ปากกาจะอธิบายว่าใต้ดินเนี่ยมีสัตว์กี่ประเภทน่ะที่ไม่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ที่อะไรน่ะที่ไม่มีปัญญาเนี่ยนะนอกนอกจากคนเนี่ยอลัลลอฮ์รู้หมดเลยน่ะ ใส่เดือนมีอยู่กี่ตัวนอนมีอยู่กี่ตัวใบไม้ที่ร่วงลงมาเนี่ยอลเอารู้หมดวันนี้นาธานวินทาทีนี้เนี่ยร่วงกี่ใ oui? บแล้วก็ใบไหนที่มันงายแล้วใบบางใบมันคว่ำเพราะอะไรเรารู้หมดเนี่ยทาให้เราได้อิ่มมาทำให้เรากลัวอัลลอฮฺใบไม้ที่ร่วงเนี่ยเอาเ ร, ารู้แล้วก็ใบไม้ที่มันงายที่ร่วงแล้วมันงายเพราะอะไรถ้าอันนี้มันคว่ำเพราะอะไรเอารู้หมด เนี่ย อ, อธิบายอย่างนี้อัลลอฮอักบอัลลออบย่ำลื่มุมาฟิสส์มาวะตวัลอาร์ดีแคนั้นใครจะเอาศาสนาให้เอาศาสนาอัลลอฮฺรู้หมดใครแอนตี้อิสลามอัลลอฮฺรู้หมดเมื่ออัลลอฮ์รู้จะเล่นงานเมื่อไรก็ได้ใช่ไม่ใช่จะเล่นงานเมื่อไรก็ได้จะงดรีสกีเมื่อไรก็ได้แต่อัลลอไม่เคยทำแบบนี้เพราะสิทัตอัลลอฮฺมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือ อัลรอฮ์มานคนอยู่บนดุนยาเนี้เอาศาสนาไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์เลี้ยงดูหมดเลยให้ออกซิเจนให้อากาศให้ลูกให้เมียให้บ้านให้รถให้เงินให้ตำแหน่งให้ชื่อเสียงให้เกียรติยศให้หมดเลยครับเอาอาไปอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮ์เลิลละยะอัลมุมาฟิสสามาวะติวัลอฺ วัน ล, ละดีนอามมนูบิลบาติลนี่ความวิบัติจะตามมาแล้วคนที่มีแบบนี้ใครวัน ล, ละดีแปลว่าบรรดาผู้ที่อามมนูเชื่อเชื่อเรื่องอะไรครับบิลบาติเรื่องความเท็จคนที่เชื่อเรื่องความเท็จมีนั้นไม่มีในโลกนี้มีไหมเยอะมากเลยเชื่อเรื่องความเท็จ เรื่องโกโหกนะแต่เชื่อว่าเป็นความจริง อ, ะอ่ะเช่น อ, อะไรบ้างตายแล้วไม่ฟืน้นมีคนอิมานแบบนี้มีไหมมีเต็มเลยนะแม้แต่มุสลิมบางคนพูดอย่างเงี้ยถ้าวันกิยามะมีจริงพูดได้ยังไงอะนี่อัลลอฮ์ต้อตงการจะเตือนบอกกอบนบีวันละรีนะอามานุบิลบาติลใครที่เชื่อในสิ่งที่ สิ่งอะไรนะสิ่งที่เป็นความเท็จยกตัวอย่างอะไรบ้างทุกวันนี้ถูกลอกอ่ะถูกลอกว่าไงวะนบีอิสาตายบทไม้กางเขนใช่หรือไม่ใช่ใช่ป่พวกคริสเตียนโฆษนาอ่ะนบีขงฉันนบีอิสราเนี่ยถูกตายถูกแขวนที่ไม้กางเขนตายคนเชื่อครึ่งโลกอ่ะพวกคริสเตียนเชื่อหมดเลย แต่คุณอ่านอธิบายยังไงไม่ได้ตายบืไมกก้กางเขนเอาลอยยกนบีอีสาขึ้นไปเห็นปหะครับเขาเชื่อในสิ่งโกหกหมดเลยแล้วก็อิสลามเป็นศาสนาจอมปลอมอิสลามเป็นศาสนาที่นบีมุฮัมมัดแต่งขึ้นมาเองนี่พวกยะฮูดีนั่นส่วนนี้อธิบายให้ชาวโลกเข้าใจอย่างนี้อิสลามเป็นศาสนาก่อการร้าย ที่เขาอีมาตออสิ่งโกโหกหมดเลยเชื่อในสิ่งโกโหกแล้วเป็นไงใครละบากครับไอ้คนที่เชื่อเนี่ยราลำบากเองไม่ใช่อัลลอ์เสียมอิสลามมันจะเสียหายตรงไหนเนี่ยฉะนั้นอัลลอ์เตือนผ่านนาบีมุฮัมมัดบอกว่าวันละดีนาอามานุบิลบาติลใครที่เชื่อในสิ่งที่โกโหกเอาเช่นอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันสองศาสนามีไม่มีมีครับ ลาต่างคนต่างอยู่แล้วลูกเป็นยังไงไวุนะ่นว้ยน่าดูเลยเนี่ยพอจะแต่งงานนะเอาลูกเอาโหนี่ฉันจะหาพ่อที่ที่ไานเนี่ยตึ่งหาตัวครูกันยายเลยไปนอกใครที่เชื่อในสิ่งโกหกมีไม่มี ม, ม, มีครับบนหลวงดุจยาแบบนี้นี่อัลลอฮฺสอนนะฉะนั้นต้องเรียนเรื่องอัคีดา้าด้วยอัคีด้าที่ถูกต้องนะอะไรนะเรียนให้มันถูกต้องซะ ความรู้นืหาได้ไหมได้จากคาฟีกุรอาเรียมนี้แหละและ้วก็วากาฟาโรบิลและปฏิเสธอัลล์ถามว่าวันโลกดุญยาไป น, นี้คนเอาอัลลอฮ์กับมาเอาอัลลอฮ์ใครมากกว่ากันคนไม่เอาอา ال ال ัลลอฮ์มากกว่าจังเยอะเห็นไหมถามว่าเป็นยังไงครับอายาต่อไปอูลลอีกะฮุมุลคอซิรูน เหล่านี้พวกเขาเป็นผู้ขาดทุนอย่างย่อยยับเลยขาดทุนตอนไหนรู้ไหมอยู่บนดุงยานี่อัลลอฮให้ริสกีหมดแต่ไปรู้สึกตัวตอนตายอ่พะพอจับใส่โลงปั๊บคนที่อีมานต่อสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่กูหกจอมปลอมกูเชื่อแล้วก็ปฏิเสธอัลลอฮฺนะพอตายพับจับใส่โลงโวยเลย อีลาไอาในยาสบูนจะพาฉันไปไหนเนี่ยจะพาฉันไปไหนนี่ไปวัวอยู่ในอยู่ในหลุมอยู่ไปวัวอยู่ในนัอยู่ในโรงน บ, บีเล่าเองคนแบกไม่ได้ยินยินไม่ได้ยินแต่สิ่งที่ได้ยินก็คือเนี่ยสัตว์ที่อยู่ใต้ดินได้ยินหมดเลยแพะแก่วัวควายไ ด, ได้ยินการทรมานของคนที่อยู่ที่ตายทั้งหมดนี่อิสลามสอนอย่างเงี้ น บ, บีอธิบายให้เราเขา้าข้าใจง่ายๆพี่น้องทั้งหลายอาจจะนั้นใครไม่เอาอิสลามปล่อยมันไปแต่ดา น, น้าที่จะต้องสอนนะเราก็สอนอย่างนี่แหละทุวันทุวันทุวันทุวันทุวันทุวันพอสอนแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนแปลงหัวใจของคนเหล่านั้นให้มาสนใจอิสลามพี่น้อคนสองคนนะครับพี่น้องเอาสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือ ใครที่ไม่เอาอิสลามปล่อยมันไปกุลกาฟาบิลลาฮิบายนีวะบายนักุมชาฮิดา um จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเพียงพอแล้วที่อัลลอส์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันและพวกท่านอัลลอ์รับรองว่ามุฮัมมัดเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงกุารานเล่มนี้เป็นของอัลลอ์จริงเป็นความรู้ผ่านยิบรี่มาให้ดตบีมุฮัมมัดจริง ใช้เวลากืปยี่สิบสามปีของการว่ฮให้อัลกุรอานลงมาแล้วก็คนที่ดีมีกี่คนอัลลอ์รู้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงกุรอานเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงคนได้จริงๆดูตัวอย่างนาบีมุฮัมมัดและบรรดาสาบานนาบีเป็นแบบอย่างนะครับย่าละมูมะฟิศมะวะติวัลอัลล์ทรงรู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมด และที่อยู่ในแผ่นดินนะครับวัน ล, ลาซีนอาออมานูแทจริงบรรดาผู้ที่เชื่อบิลบาตินความเท็จเรื่องโกหกโกหกเนะี่ยเชื่อหมดเลยเรื่องผิดๆที่นี่เชื่อไปน้องแล้วก็วากฟารูบิลและปฏิเสธ AH. อัลลอฮ์โอเรื่องใหญ่มากเลยนะปฏิเสธอัลลอฮ์อยู่บนดุนยาไปนี่อัลลอฮ์เลี้ยงงา ไม่ลงโทษบนดุนยาใบนี้นะอยู่เพลินจริงๆนะแล้วเป็นไงครับอูลอีก็ฮุมุลคอซิรูนเหล่านี้พวกเขาเป็นผู้ที่ขาดทุนกุรานอธิบายกุรานกุรานอธิบายอย่างนี้ใครแมวอิสลามปล่อยมันแต่หน้าที่เราต้องเผยแผ่ต้องทํางานทํางานอย่หยุดไม่ได้นะดาวาอิสลามหยุดได้ไหมไม่ได้ครับ พ่อแม่ก็ต้องอธิบายให้ลูกฟังให้ภรรยาฟังตัวครูก็ต้องสอนกนต่อไปอาเ ล, ลมอุลมาก็ต้องพิมพ์หนังสือแล้วก็ทำงานศาสนาค น, นต่อไปคุรอ่านอธิบายอย่างนี้อัลลอฮฺเป็นผู้แต่งตั้งรอซูลคนหนึ่งขึ้นมาคือแต่งตั้งนบีมูฮัมมัดขึ้นมาเป็นรอซูลของอัลลอฮฺบิลฮุดะนับเอา ขนทางที่ถูกต้องเนี่ยผ่านนาบีมุฮัมมัดให้เอามาสอนวาดีนิลฮักกตและอิสลามนี่เป็นาศาสนาที่ถูกต้องที่สุดเป็นสัตธรรมที่สุดดีที่สุด liyuzhi rahu a l a d น e e n i k u l i h i s l a m i n e n a จะชนะ y u z h a y u z h นี่แปลว่านะจะเหนือ จะเหนือจะชนะอารดีนกุลทุกศาสนาในโลกโอ้โหนี่อัลลอฮ์พูดนะอัลลอฮ์การนะกพีอัอฮ์นะหรยุสฮิราหัอดีนกุลศาสนาที่มีอยู่ในโลกนกี่ศาสนาก็ตามจากอิสลามเนี่ยจะชนะสบายใจไหมนี่พระผ้วออก็นึกอลเานี่นบีพ อ, อ่านภาพนี่อัลลอฮ์อักบั ลอบับบอิสลามจะชนะอลดีนทุกศาสนาคุลีทุกศาสนาในโลกที่มีอยู่นี่นะอิสลามจะชนะวกาฟาบิลลาฮิชาฮดะอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานอีกอายะอืน่นวะลาวกะริฮัลมุชริกูนถึงแม้คนกาเฟตจะชิงชังอิสลามแค่ไหนก็ เชิญชิงชังไปเถอะว่าเรากริฮัลมุชลิกูนถึงคนตั้งภาคีพมเอาโตตะเกียรเอาโตระ ย, ยองมาเป็นสิ่งที่บูชาจเจวตี่เหลนี้นะถึงคนเหล่านี้จะชิงชังอิสลามแค่ไหนก็ปล่อยมันไปอิสลามจะชนะไม่ยังครับอย่างนี้เราต้องสบายใจว่าเออเราต้องช่วยกันเผยแพร่อิสลามอัลลอฮฺอัลบัตเพราะอิสลามเนี่ย จะเป็นศาสนาเดียวที่อยู่ถึงถึงวันกรีมะศาสนาอื่นจะค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปทำแต่เลืล่องอะไรรออักบัดยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็อีกอีกอายาหนึ่งคุณอานอธิบายคุรอานนะยูรีดูนไอยุทธฟิุนูรุลลอฮิบิอัฟวาหิม วียับบั ا له إلا أيُّ تِمَنُورَهُ وَلَوْ كَلِهَا ل ْ ك َ ا ف ِ ر ُ سورة بقرة สามิบสองธิบายไงครับมนุษย์ที่แอนตี้อิสลามเนี่ยต้องการที่จะดับรัฐรรมีของ Allah จะดับอิสลาม ต้องการที่จะให้อิสลามเนีนย่ยสูญหายจากโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์เล่าในหัวใจของคนกาเฟตคิดอะไรแล้วก็ต่อมาครับบีอัฟวาฮิฮิด้วยลมปากของพวกเขาเองด้วยฟยีปากด้วยลิ้นของเขาเองตําหนิอิสลามด่าอิสลามว่านาบีมุฮัมมัดเป็นนั่นเป็นนี้เป็นนี้เป็นนั้นว่ามุสลิมเป็นผู้ก่อการร้ายใช่ไหมเนี่ยที่ทั่วโลวันเนี่ย พยายามดับอิสลามอัลลอว่าไงตัวไปครับวายะบัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบารอัลลอ์ไม่รับนอกจากอิสลามจะอยู่ต้มหมดยิ่งสมบูรณ์ขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นรัศมีของอิสลามจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้น วัลลาอูการิฮัลกาฟิรูนถึงแม้คนกาแฟจะรังเกียดอิสลามแค่ไหนก็มันเรื่องของคุณแต่ของอัลลอฮ์อิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอ์จะดูแลรักษาศาสานานี้ให้เจริญก้าวหน้าให้มีคนมารับนับถืออัลอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, น, นถึงมนุษย์จะกี่กชาติก็าตามนะครับต้องการที่จะดับอิสลามด้วยลมปากของเขาเขาไม่สามารถทาได้สาเร็จ สบายใจไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นอยู่กับอิสลามดีแหละบอกลูกบอกหลานบอกมีเมียเราอยู่กับอิสลามดีนะตายในศาสนาอิสลามดีนะอัลลอ์ตอนตายอยู่สิอัลลอ์ Allah, ให้เกียรติยังไงอ่ะให้ทำสีข้อหนึ่งให้อาบน้ำสองให้ห่อไอ้ไอ้หอ่อๆอนี่มาจากชั้นฟ้าทั้งหมดน่ะ อาบน้มแบบนี้นะผ่านนำให้นบีมาสอนอาบน้ำแบบนี้แล้วก็ห่อแบบนี้แล้วก็พามาขอดูอาให้แล้วก็ฝังอ่ะรูปแบบสีอย่างนี่มันยิ่งใหญ่นาแล้วก็คนที่ไม่เอาอิสลามตายแบบนี้หรือเปล่ามันนีเอามาดูอบูอบูยะฮฺญาตินบีแอนตี้อิอสลามอ่ะ ตอนตายตายไงรู้ไหมเป็นโรคฝีดาตายและตายคนเดียวในบ้านศพเหม็นแล้วลูกมาเห็นครอบครัวมาเห็นก็เอาคนดำๆคน่านนะ่ะจับไปเอาไปวางไว้ที่ดินแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็เอาไม้นี่น่ะเงะีตกไปในหลุมแล้วก็เอาดินกบ สี่ข้อมันจะทําอาบน้าไม่มีหอไม่มีขอดวงอาไม่มีคุดลุมไม่คุดลุมได้อะแต่วันไม่ใช่เอามันจะเอาคนหกเจ็ดคนอุ้มสวบลงนะไม่ใช่นะเอาไม้แงะแงะแงาตกไปเองมีเกียรติไหนเนี่ยคนที่ตายแล้วไม่เอาไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักรอซูลตอนตายไม่มีเกียรติเลย ถ้าสียางนี้ไม่มีในคนใดนะขาดทุนค่ะบุ้นั้นต้องขอบคุณอัลลอ์ที่เราตายในขณะที่เราเป็นมุสลิมมีอิมานต่ออัลลอฮ์และมีนามาถ้เวลาตายทำสี่ข้อนิสงา ง, งามนะหนึ่งก็ได้อาบน้ำสองหอสไปขอดุด้าขอทิเซฟังและยื่น อ, อ่านดัวอักษรเบ็ดอีกแต่ที่ปากลุมนะอัลล์อับัมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน ต่อมาครับอายะที่ห้าสิบสาะตจิลูนกับอลอาดับ ولو ละอาจิลุมุซัมมัลจะเจ้ามุลอาดับ ولا يأتيناهم بعضا و َ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ ول لَا أَجَلٌ م ُ س َ م َّ ى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَهِ วะฮุมลาย์ชัอรุนก่อนจะอธิบายอายะนี้พี่น้องมีอยู่อายะหนึ่งผมลืมอ่านนะะรู้ไหมบาปอะไรที่อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้บาปอะไรชิริคนี่ AH อัลลอฮ์ละนะก็เพื่อคนอานให้นบีมุฮัมมัดฟังมุฮัมมัดสอน ใครที่ตายในสภาพที่มีชีริกติดลมไปใครที่ตายในสภาพที่มีชีริกติดผ้าขาวไปมีชีริกไปหาตัติเกียรไม่ยอมเลิกไปหาตัวระยองไม่ลังไม่ยอมเลิกไปเคารพบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ยอมเลิกนะดันตัรางจนกระทั่าทางตายคนเหล่านี้เขาเรียกคนชีริกอัลลอฮ์ความผิดอื่นๆ อ, อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้เลยหนักหรือไม่หนัก แต่ถ้าหากว่าชีริกไม่มีเตาบ้าตัวก่อนตายสักห้าปี1ิปีหรือสองปีอะไรก็ตามนะเตาบ้าตัวนาะฉันไม่ทำชีริกแล้วเลิกแล้วนับถืออัลลอฮ์องเดียวความดีที่ไม่มีชีริกความผิดอื่นๆอัลลอฮ์อัจ อ, อาจะัยโทษให้เห็นไหมฉะนั้นชีริกนี่ตัวทําอันตรายที่สุดนะะนั้นอย่าใหชาวโลกต้องเข้าใจด้วยนะ คนที่ตายถ้าไม่มีชีริกติดตัวไปเนี่ยปลอดภัยเยอะมากเลยครับทาอะไรผิดไว้บางที่เราก็ผิดผิดผิดถูกมีใช่ไหมอัลลอฮ์จะอภาัยจะโทษให้แต่ถ้ามีชีริกอย่างเดียวติดตัวไปความผิดอื่นอันลลาาอฮ์ไม่อภัยจะโทษให้นะในคุรานอธิบายยังไงรู้ยยไหมอินนัลลอฮ์ฮะลายักฟิรุอิยูชรักบิฮิวยักฟิรุมาดูนอาลีกะลิมาียชากอานอายานี้ครับอาิเ น, นี่ยอายักที่ห้าสิบสาม วายัสตาจีรุนาการมัแปลว่าอะไรพวกเขานี่นะเร่งพวกอาดัมมุชริกนี่แหละอยู่ในนครมักการเนี่ยเร่งคือเร่งเร่ ง, รงใครเร่งนบีวายัสตาจีรุนาก า, ว า, า, กาพวกเขาเหล่านั้นเร่งมุฮัมมัดในเรื่องอะไรบิลลาอาบเรื่องการลงโทษ นบีสอนเลยว่าคนที่ไม่เอาอิสลามอาลัลลอฮ์จะลงโทษคุณเอาโทษมาเลยเอาโทษมาเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ยุคก่อนหน้านบีแล้วนะยุคนบีใครบรอฮิมยุคนบีมูซาอิซานาบียูซุบใครตะใครที่นะที่สอนอิสลามนี่นะพวกที่แอนตี้นบีทั้งหมดเรื่องเกิดพูดอย่างนี้แหละถ้ามูซาเป็นนบีจริงเอาอาซาบมาเลยสิมันลงโทษให้เห็นก็ถึงถึงจะเชื่อ เนี่ยอัลลอฮ์ก็เล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังเนี่ยนะเขาจะเร่งนบีนะให้นําการลงโทษมาเอ้าให้แผ่นดินไหวเดีย๋ยวนี้ให้ฝนตกลงมาเป็นไฟเลยให้ตกลงมาเป็นหินเลยก็ข อ, ขอนบีเร่งนบีท่านนบีเป็นนบีจริงนะนํามามาเป็นลงโทษในเห็น น, ะนี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังคนอาหรับมุชริกจะขอร้องนบี ให้นบีนำเอาการลงโทษแบบวัยวัยมาเลยอัลลอฮ์ตอบให้ตอบกันนบนบีตอบอย่างนี้ว่าเราละอาจลุมมุซัมมาเราละแปลว่าถ้าหากไม่อาจัลแปลว่าวราระอาจัลแปลว่าความความตายก็ได้อเพราะอาซาบมาหมายถึงความตายนะอาจัลแปลว่าวราระ วันกำหนดหมดชีวิตเนี่ยมูซัมมาถูกกำหนดไว้อัลลอฮ์บอกกับนบีว่าอาซาบของอัลลอฮ์มาถึงการลงโทษและทำให้คนตายเนี่ยนะถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดวาละเอาไว้แล้วนะมาแน่แต่นี่อัลลอฮ์กำหนดไว้ก่อนแล้วว่าจะมาวันนั้นวันนี้วันนี้วันนั้นซึ่งมนุษย์ไม่รู้เอ็งมาขอทำไม ขอให้นำการลงโทษมาสิลอต่อบอกว่าไอการลงโทษว่าคุณจะต้องตายแน่ๆ น, นี่นะอลัลลอ์ได้กำหนดวันไว้แล้วถ้าหากไม่กำหนดวันไวเนี่นะลาจาอาหูมุลาาถ้าไม่กำหนดวันนนะแน่นอนมันจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาโดยพลันเลยเอลัลลอฮฺอักบร ท่นี้อัลลอฮ์กำหนดวันไว้แล้วเองเจะขอเท่าไรอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดเราเพราะว่าการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นน้าท่วมก็ดีหรือตายก็ดีหรือแผ่นดินไหวก็ดีหรือว่าฟ้าผ่ า, าก็ดีหรือน้าท่วมสึนามิก็ดีเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดวันไว้แล้วนะวันตายตัวมีอยู่แล้ววันนี้วันนี้วันนี้วันนี้วันนี้อัลลอฮ์ o, กำหนดไว้แล้ว ถ้าไม่มีวันกำหนดเอาไวส้สิขอปั๊บลงปุ๊บเลยนี่สำนึกตัวซะถ้าจะอย่าพูดอะไรพล่อยๆในสอนคนอารับมุสลิมฉนันพูดกับนบีต้องพูดดีๆเนะพราะนบีเนี่ยเป็นตัวแทนของอัลลอ์ต้องพูดจาดีๆกับท่านนาบีไม่ใช่มาขอน่นขอนี่ผมเคยล่างให้ฟังใช่ปล่าว่ามีนบีพูดเรื่องมือขวาใช่มกูอาพูดเรื่องมือขวามะอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหม มีชายคนหนึ่งกินอาหารมือซ้ายมีชายคนหนึ่งกินอาหารมือซ้ายต่อหน้าท่านนาบีนบีเห็นนบีว่ากินมือขวาลาชาคนเนี้ต้านนาบีฉันไม่ถนัดนบีพูดเลยตั้งแต่วันนี้ไปมือคุณชายมือขวาไม่ได้อีกต่อไปจบเพราะไปขวางนาบีไง นบีว่ากินมือกินมือกินกินกินมือขวาสิเพราะนั้นพอเปลี่ยนภาพนะ่ะตามนาบีนะกินได้เลยเพราะนาบียืนอยู่เนี่ยอกินสิกินในมือขวานึกว่านาบีามาอมัดอตจะมีอะไรที่นา่าได้โยมกับอลัลลอฮ์อยู่นะเขติดต่อกับอลัลลอฮ์มีจิบรีนไดรตอร์นั่งอยู่ตรงนี้เขามองไม่เห็นนะ่ะนบีว่า ตั้งแต่วันนี้ไปมือคนนี่นะง่อยเลยนะไม่สามารถที่จะทานอาหารในมือขวาได้จนกว่าจะตายแล้วเป็นไงครับนี่เป็นข้อเตือนใจฉะนั้นอย่าไปพูดอะไรเกินคำสั่งของท่านนาบีเราเป็นมุสลิมอยู่บนนุญาแบบนี้นบีทำแค่ไหนก็ทำแค่นั้นแล้วพอแล้วอย่าไปคิดเองนี่ขนาดขอขอการลงโทษเนี่ยรอลเล่าเองนะการลงโทษคุณจะต้องตายเนี่ยนะ ถูกกำหนดวันไว้แล้วถ้าไม่กำหนดวันไว้ก่อนหน้านี้นะเค้งขอปรับลงปุ๊บเลยเอาต่อไปวาลายตียนนะฮุมบาเตะและแน่นอนมันก็จะเกิดขึ้นอตายะตีเพราะว่าเกิดขึ้นบาเตตตัน ทันทีทันใดหรือโดยฉับพลันนี่ต้องการจะอธิบายว่าวันกิยามะเนี่ยนะเกิดขึ้นแน่นอนหรือเซอร์นามิเอาวาสวุเซอร์นามิง่ายหน่อยเข้าใจง่ายหน่อยอาจาบการลงโทษผ่านเซอร์นามิเนี่ยบัคตะตันถ้าจะมานี่มาแบบไรนะกระทนหันตั้งตัวไม่ทันนะกินาทีหามัด ประมาณห้าหนาทีเท่านั้นแหละยุบไปพขึ้นมาน่ะหมดเลยน่ะหานาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีป๊บเท่านั้นเลยน้ำมันลงขึ้นตูมเลยใช่ไหมน่ะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชกิลมาน่ะเล่าบดยเพาบนดุนยาให้ฟังก่อนแค่ซนามิเนี่ยใครหนีรอดบ้างตะแปลกนะสซนามิมาสูเราไม่พังอ่ะ โซรเวาเหลืออยู่ในอินโดนีเซียโซลเอาเหลืออยู่ใช่ไหมล่ะละคนตายเรียบหมดเลยเนี่ยเป็นข้อตเตือนใจทําไมฟุบัสกิตเหลือเพราะอะไรวัล ว, ล, วลยาตียานหุมบากุตะและมันก็จะเกิดขึ้นแก่พวกเขาแบบฉับพลันวะหุมลายะสอรูนขณะที่พวกเขาไม่รู้สึกตัว นี่อายาเนี้ทําให้เรากลัวนะจนเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาใช่หรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยต้องเตรียมพร้อมไหมต้องเตรียมพร้อมหมดตั้งน้ำมาให้ครบเวละห้าเวลาต้องเตรียมพร้อมมาไว้ต้องซิคลุนล่อเตรียมพร้อมมาไว้ต้องนักสิหัดลูกมาไว้เตือนเอาไว้เผื่อมความตายมันมาได้ตลอดเวลาแล้วก็อาสาบมันมาได้ตลอดเวลาแผ่นดินไหวมาได้ตลอดเวลาตึกถล่มได้ตลอดเวลา ถ้าก็ไว้แค่นี้นะ่ะเีย็บรอยมาม่ะแล้วเราบอกล่วงหน้าไหมไม่ได้บอกนี่อธิบายให้ฟังมาแบบคาถาหันเพราะอัลลอฮ์กำหนดวันเวลาการลงโทษเอาไว้ล่วงหน้าแล้ววันที่เท่านี้เดือนนี้ชั่วโมงนี้แต่อัลลอฮ์มาได้เล่าให้น บ, บีมุฮฟมัดฟังแต่ ว, ว่าอาซาบมีไหมมีครับหรืออธิบายยังไงวันกิยามะมีจริง วันเกยามามีจริงครับหลกยมานี่ยมาอย่างไรมาแบบกระทันหันนี่แหละจะเอาน้ําใส่ปากจะเอาข้าวใส่ปากไม่ทันใส่ปากนี่เกยมัิมานี่ข้าวร่วงออกจากปากเลยกําลังจะห่อผ้ายังไม่ทันพับผ้าเลยเกยมามาแล้วนี่เล่าให้ฟังว่าเกยมามีจริงไหมจริงมาแบบไหนครับบากกระตาตันแบบกระทันหันถ้าให้เราเตรียพองไว้หมดทาไมต้องมีวันศุกร์ มุสลิมอาบน้ามันสุกเพื่อเตรียมพร้อมวันเกียมติ์เพราะวันเกียรติ์จะจะไม่เกิดขึ้นนอกจากวันวันสุกฉะนั้นมุสลิมตุนชาขึ้นมาต้องอาบน้ำจนันนาบ้าแล้วถึงไม่มีญันาภ้าก็ อ, อาบน้ําไปเถ อ, อะเป็น้องลัแต่งตัวสวยๆพรมน้ําหอมถ้าฉันตาตามอยสภาพโดยฉันมีอิมานต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่งานน้ำเขณะที่คนกาเฟ่กลาลังเมาอยู่เลยมีคนส่งไลน์มาให้ผม ลูกไปโรงเรียนอายุสักห้าหกขวบเด็กคนนี้ก็มาหาครูครูครูค ร, ครูหนูหนูฉีไม่ได้หนูเยี่ยวไม่ได้ยี่หอบไม่ได้เพราะอะไรครูไปดูทรายกึก่งแกงลูกพิษเอาข้างหน้าไปข้างหลังหลังไปข้างหน้าแล้วครูก็บอกว่าคณะเมาส์นะห้ามแต่งตัวให้ลูกมาโรงเรียนนะ <c oughs> นั่นฟ้องอะไรฟ้องสังคมตัวเอง เมาไม่รู้เรื่องอ่แปดโมงเช้ายังเมายังไม่สางเลยล่ะอาจารย์ก็บอกินทั้งคืนมาคืนให้กิ น, นทั้งคืนนั่นชีวิตของคนกาเฟ่ต์เห็นไหมมุสลิมทํางี้ได้ไหมไม่ได้โอ้โหลได้ข้คิดอะไรเยอะมากเลยคนอ่านคุณอ่า น, น, านด้อยข้อคิดเยอะมากกับทำนี่แหละแต่งลูกแต่งอะไรแต่งตัวให้ลูกเอาเกินเกมข้างหน้าใส่หลังหลังใส่หน้าลูกจะชีชีไม่ได้วิ่งไปหาครูครูก็บอกมาว่า จะแต่งตัวให้ลูกอยิยาให้หายเมากรดอัลลอฮฺนะอุสบิลัยมินสาดิเอาต่อมาครับอยายะวัลสุดท้ายนะพี่น้อง <S <S ตกลงวันวันวันกิยามามีจริงไหมมีจริงครับอันนี้อันนบยอยีอธลเทบะยางงี้ใกล้ๆวันกิยามาเนี่ยอัลลอฮฺจะให้อะไรนะอัลามัดน่ามีอัลามัดให้เราเตือนน่ะให้มุสลิมเตือนโอ้นี่อัลามัดมาแล้วการกิยามัดแล้วนะอะไรบ้าง ลูกจะทรยศต่อพ่อแม่มากขึ้นนี่อะลลมัย น, นอกจากคนที่มีาศาสนาเท่านั้นแหละที่จะลูกเคารพพ่อแม่ถ้ า, าศาสนาไม่มีนะโอ้โหเดินตามสังคมเดินตามกระแสหมดเลยครับท่านลูกๆพวกเราอย่าเล่นเกมเยอะอย่าเล่นอะไรนะสมาร์ทโฟนอย่าเล่นเยอะเขาหลอกเขาหลอกให้เราบ้าเขาหลอกให้เราเป็นลูกเสียคนเขาหลอกหมดเลยครับ หาเงินนะหาเงินนัห ง, งานานินนคนฉลาดบ้านมุสลิมจะต้องระวังนะอย่าขันสมาร์ทโฟนอย่าเล่นเยอะเดีย๋ยวจะจะไปบอยใช้เด็กเยอะประเทศที่เลิกไม่ให้เด็กเล่นตนนี้ยังน้อยมี5ประเทศอังกฤษประเทศหนึ่งอิสราเอลประเทศหนึ่งอัลิสลานไม่ใช่ก็แล้วถามว่าซอ่ บ, บ้านนะ้วีไม่มีสมาร์ทโฟนจะเป็นชาวสวรรค์หมดเลยไม่เห็นเลยเขาบอกอีสปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไท้ายนี่นะคนไทยนี่นะจะเป็นลูกจ้างเขมรกับลาว เพราะว่าเด็กไทยไม่เรียนหนังสือวันนี้อย่างน้อยชั่วโมงแรกก็ต้องขาดแล้วไปโรงเรียนไม่ทันเพราะเนือตื่นไม่ทันพรามมาคืนเล่นสมาร์ทโฟนไว้เยอะห้าทุ่มหกทุ่มยังไม่ได้นอนเลยสมองสติปัญญาเสียื่อมหมดแล้วเพราะลูกพ่อแม่ตามใจลูกยกเว้นบ้มุสลิมบ้ามุสลิมนะเขาไม่ไม่ยอมนะถ้าลูกไม่นมัพคอตีนะไม่อ่านคุรานพ่อตีนะ ท่านบ้านมุสลิมมิเชลอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะคุ้มคครองนะแต่เราต้องอยู่าศาสนาด้วยน ะ, ะต่อมาครับจะมีคนรับอิสลามเพิ่มขึ้นอัลฮัมดุลิลในคุรอานอายะ ส, สุดท้ายนะครับว <ess> ัสยัสตาอัจิลูนะกับอัลอาบะ و َิน ن าَ์َนัมละมุ حيط ُุบْ ب ก افر ินวียาสَ้าَิลุนกَบَิลอาบَ و َ إ ِ ج َ ه َชาห์َนัมละมุ حيط ُุบْ ب ก اف รินยาสต้าจิลุนกับข้อพระยที่แล้วนี่เหมือนกันนะครับ แตลว่าพวกเขาเร่งเร่งนบีให้นบีเนี่ยนำเอาการลงโทษว่าให้เกิดขึ้นไวๆขอร้องนบีให้นำเอาการลงโทษเกิดขึ้นไวๆถึงจะเชื่อว่านาบีมูฮัมมัดเป็นนบีของอัลลอ์จริงเพราะนาบีพูดเอาไว้ไงใครไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลงโทษอยางงั้นยางงั้น จะตาจะถูกลงโทษที่กูโบก็ให้คนกูโบขึ้นมาเล่าหน่อยไม่ได้หรอขอร้องวายัสตาจิรูนะกับิวลาซะพวกเขาเนี่ยเร่งน บ, บีมุฮัมมัดในเรื่องการลงโทษว่าเมื่อไรจะเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นไวไ ว, วายอินนาจะหันนำแท้จริงนรกจะหันนำนี่แปลว่านารกชั้นเบานะ นัาเบาๆนี่ไงสมองเดือ น, นะอย่าตกเลยอย่าตกนรกเลยเลาภนี่เลยนะนะว่าอินนะจะหันนำแท้จริงนรกนั้นลามัวให้โตมูวให้โตแปลว่าล้อมรอบห้อมล้อมมูวให้แปลว่าห้อมล้อมอัลลอฮจะหนีไปไหนรอดละมนุษย์นะละแวกว่าถ้าอาอ่านคุณอ่านมนุษย์หนีไปไหนไม่รอดเลยนะ แค่จับไซโลน่ะรอดมันรอดไหมล่ะแท้กคจับไซโลน่ะเลขนิดเดียวน่ะแล้ว่าฝังในดินจะไปไหนรอดยังคิดไม่ออกเลยเลเนี่ยอัลลอฮฺอัลเบว่าอินนาจะหันนำแท้จริงจะหันนำนั้นน่ะลามุไหตัแบบว่าห้อมล้อมหรือว่าล้อมรอกหรือว่าสกัดล้อม ขายครับบิลกาฟฟรีนพวกปฏิเสธไว้เรียบร้อยหมดแล้วให้นยังครับคนกาเฟทที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามไม่เอานบีมุฮัมมัดไม่เอาอัลกุรอานไม่เอาสุนนะนบีนะถูกสกัดห้อมล้อมไปเรียบร้อยหมดแล้วอะไรห้อมลอ้อมยานนำนรกเหลืออะไรอ่ะพี่น้อง คนที่ตกนรกเนนาะร่างมันใหญ่นะจากไหลนี่เดินไหลนี่เดินสามวันแค่ไลอย่างเดียวนะแล้วกอ น, นังของคนชาวนรกเนี่ยโอ้โหหนาเดินสามวันสี่วันเหมือนกันทำไมต้องหนาลนะ่ะเวลาถูกไฟมันค่อยค่อ ย, อยลาอบล้มทรมานจริงๆเห็นไหมแทลไยนะ่ะ ชาเวลาเดินสามวันเนี่ยสามวันหนองบอนเลยไปอีกนะโอ้ยทึ่งไหนอ่ะสามวันเนี่ชยชาเวลาเดินสามวันนะแค่ไหลนี่กันไหลนี่แล้วก็หนังอีกเท่าไหรหนาเนี่ยพี่น้องตัวร่างก็คนในในนรกนี่อุ้ใหญ่หน้าดูเลยนะอยากไม่ละอ่ะอยากลองลองเข้าไปดูสักพักนะยาเลยให้ยาเข้าเลยเดี๋ยวก็นีน่ อัลลอ์เล่าแลวก็ฟุอานะบีมาอธิบายเรื่องชาวนรกใใหญ่ขนาดไหนตัวขนาดไหนอะไรขนาดไหนฟันขนาดไหน <Allah. S 1> อ่านแล้วตาจริงมันไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวนะแค่หนาวก็แย่แล้วก็เป็นที่แคบๆอีกนั่นรกเนี่ยนะที่แคบมีเย็นมีแล้วก็หนาวมีพูดถึงเย็นนบีอิบราฮิมอัลลอฮ์สั่งมา ยายานารกูนี่บดดันวาสารมันหนาลอิบราฮมในกรณีตัวอย่างเนี่ยไฟจงเย็นไม่ใช่เย็นอย่างเดียวนะสาลามันต้องปลอดภัยด้วยเย็นเราตายไม่ไมไมไมีแค่หนาวธรรมดาในมัดห่มผ้าเนียแย่ยกระดูกเจ็บมานี่เมืองไทยดูยาเนี่ยฉะนั้น นรกมีทั้งเย็นนรกมีทั้งร้อนนรกมีทั้งแคบแล้วก็คนที่อยู่ในนรกในตัวใหญ่กข น, นาดนายอัลลอฮ์บัดทไมต้องใหญ่ครับจะได้ชิมการลงโทษของอัลลอฮ์จะได้สํานึกตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่หนักมากครับแต่ดั้นไม่เอาอิสลามเชิญขอร้องนบีให้ลงโทษไว้ๆเชิญว่าอินนาจะฮันนามาลีมุะลาหมุฮัยตตุมบิลกาฟิรินนรกเป็นที่สกัดลอ้อม ของผู้ปฏิเสธไวอย่างเรียบร้อยแล้วนีรอดไหมอลัอลลอฮอัลลให้ตายนะจบแล้วนะอลัลลอฮให้เราตายนระจบแล้วแล้วจับใส่โลงอีกนะ้าพี่น้องนึกภาพนี่เยอะๆนะจับใส่โลงตอนแบกนะ่ะคนตายในในในโลงนะวอยนะ่ะถ้าเป็นคนดีกอดดีมูนีรีบพาฉันไปไว ถ้าเป็นคนไม่ดีอิลาอนายทสบูนจะพาฉันไปไหนนี่ใส่โลกงนะแต้อตอนฝังเป็นยังไงอ่ะนึกภาพสิครับมลาอิกะนาเกตมุงกานบาสององแล้วถือค้อนเหล็กมาด้วยอะ่ะแลถามอะไรมารอบบูกะมันนบียุกะมันอิมามุกะสามเรื่องเนะี่ยคุณรู้มาจากไหน ก็ตอบฉันอ่านจากอัลกุรอานปไท y ในกูโบท่านภาพของอิสลามสอนะชีวิตในกูโบครับฉะนั้นถ้าถ้าไม่เอาอิสลามอย่างเดียวนะครับอัลลออักชีวิตนี่เละเทะหมดเลยนะครับสุภาพนะก็ละหุมะผีพรมดกดลาอิลลัตอัตัฟุวตูบุลัยกมุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวซัลลับีอัจมัยมุลฮัมดุลิลลาหฺอัอลอาลามี